Life in the World Unseen ชีวิตในโลกที่มองไม่เห็นหรือในฉบับแปลเป็นไทยโดยอาจารย์สิริพุทธสุขคือโลกทิพย์ภาคหนึ่งเรื่องเล่าสภาพชีวิตหลังความตายจดบันทึกโดยมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียผ่านการบอกเล่าของวิญญาณท่านโรเบิร์ตยิวเบนสันซึ่งติดต่อกันทางสมาธิสิ่งที่น่าสนใจและทำให้น่าเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงก็เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่ที่เป็นหลักสาคัญตรงกับคาสอนในพระไตรปิฎก ทั้งที่ท่านทั้งสองไม่เคยศึกษาศาสนาพุทธมาก่อนและสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคยมีอยู่ในคําสอนของคริสโดยที่ท่านโรเบิร์ตนั้นเป็นบาทหลวงที่มีชื่อเสียงเป็นถึงอนุศาสนาจารย์วัติกันมีผลงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาไว้มากมายซึ่งชาวคริสต์จานวนมากที่เป็นผู้ใช้เหตุผลเป็นหลักไม่สักแต่ว่าเชื่อเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ต่างก็พากันชื่นชอบด้วยความที่รู้สึกว่ามีความเป็นไปนได้มากกว่าที่เคยยึดถือกันมาแต่เดิมยกตัวอย่างเช่น การรับโทษในนรกท่านบรรยายไว้นในหนังสือชุดเดียวกันนี้ว่าเป็นเพราะสิ่งที่เขาได้ทําไว้เองตัวเขาเองที่ลงโทษตัวเองไม่ใช่พระเจ้ามาลงโทษอย่างที่สอนกันเพราะถ้าทำอย่างนั้นก็จะขัดแย้งกับที่ว่าพระเจ้าคือผู้ที่มีความรักความเมตตาอย่างยิ่งท่านจะลงโทษคนใี่ทุกข์ทรมานแสนสาหัสอย่างนั้นได้อย่างไรคําบรรยายทั้งหมดหากคนต่างชาติได้ศึกษาและเข้าใจเช่นนี้จริงจึงกนับเป็นการเชื่อโลกหลังตายอย่างถูกต้อง ตามหลักกรรมที่เป็นของสากลคนจะเกรงกลัวบาปและไม่มีการอ้างพระเจ้ามาทำร้ายกันสันติสุขในโลกย่อมเกิดขึ้นได้มั่นคงแน่นอนกว่าการสอนหลายอย่างที่อาจทำให้รู้สึกว่าขาดเหตุผลจนทำให้รู้สึกคาในใจไร้น้ำหนักที่จะให้คนบางกลุ่มเชื่อได้จนที่สุดก็กลายเป็นคนไม่นับถือศาสนาไปเป็นจำนวนมากในปัจจุบันเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นโปรดฟังคําอธิบายต้นเรื่องคําปรารถคำำํานําและอื่นๆทั้งหมด ให้เข้าใจก่อนฟังเนื้อหาหลักจะดีที่สุดนะครับจัดทาโดยเจภาพหลักครอบครัวสินทวัตบุรินลิมรัตนเมคาจอร์ดพลินตันบุชีเจภาพรองครอบครัวปิติเจริญกุลครอบครัวอิ่มวงศรีสุมเมธคุ้มวงน้ําอ้อยเซเมอร์ยานินเวียงเกตรวมกับอีกหลายท่านฟังได้จากหลังบทนําและท้ายเรื่องนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง สำหรับเนื้อหาในหนังสือนั้นแสดงชีวิตหลังความตายได้อย่างน่าสนใจแต่ต้องขอให้ทุกท่านเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นอยู่บนพื้นฐานของนักบวชที่ไม่ใช่พุทธการใช้ศัพท์บางคำอาจไม่ตรงความหมายในทางวิชาการแบบพุทธเช่นคำว่าวิญญาณจะมีความหมายในแบบที่ท่านเจ้าของเรื่องและคนทั่วไปเข้าใจเช่นวิญญาณออกจากร่างโลกของวิญญาณคำนี้แม้คนไทยทั่วไปก็มักเข้าใจแนวนี้เช่นเดียวกัน ดังนั้นผูเ้เกรงรับในหลักวิชาแบบพุทธควรข้ามประเด็นเล็กน้อยเหล่านี้ไปบ้างนะครับขอให้จับแต่สาระสําคัญหรือแก่นของเรื่องก็พอซึ่งในที่นี้ก็คือตายแล้วไม่ศูนย์และผลของกรรมสิ่งที่ทําไว้ย่อมประทับอยู่ในจิตสืบต่อเป็นวิบากส่งผลที่ต้องได้รับในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งหลักการนี้เป็นของสากลไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องภกชาติจะนับถือศาสนาอะไรตายไปต้องได้รับผลกรรมอย่างยุติธรรมทุกคน ยังรวมไปถึงจะได้แนวคิดชัดเจนว่ายัางอยู่และควรจะใช้ชีวิตอย่างไรจะมีความแปลงกลัวบาปและรู้จักทาบุญให้ตรงทางโดยเฉพาะเน้นด้านการพัฒนาจิตให้เกิดเมตตาที่แท้จริงจะได้ข้อคิดเพื่อไม่ทำอะไรที่จะเป็นการทำร้ายคนใกล้ชิดที่พึงตายให้ต้องทุกข์หนักและไปสุขติดได้ยากขึ้นเป็นต้นเนื้อหาในหนังสือยังเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดว่า ลัญหาอุปาทานความยึดติดในการมาคุณคือรูปสวยเสียงไพเราะรสอร่อยกลิ่นหอมสัมผัสที่น่าพอใจความยึดติดน้อยเท่าไรก็ส่งให้มีสภาพแวดล้อมประนีตมากขึ้นเท่านั้นแต่จะประนีตแค่ไหนก็ต้องเวียนตายเกิดไม่จบสิน้นไม่อาจพ้นทุกไปได้แม้โชคดีได้เกิดเป็นเทวดาก็ยังคงเป็นมิจฉาทิฐิลุ่มหลงไปกับสุขที่เป็นของชั่วคราวโดยที่คิดว่าเทียงแท้ยังยืน เข้าใจผิดไปได้ว่าภูมิบางภูมิเป็นภูมิสูงสุดที่จะอยู่ไปได้ถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ยังมีภูมิสูงกว่านั้นเพียงแต่จิตยังไม่ประนีตพอจะรู้เข้าใจและเห็นได้ไม่เข้าใจว่าแม้สวรานที่ประนีตสูงสุดก็ไม่มีอะไรยั่งยืนสุดท้ายต้องเวียนกลับมาเกิดใหม่ในที่สุดหากยังไม่บรรลุธรรมยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่ สำหรับท่านที่กําลังฟังหรืออ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ต้องเข้าใจให้ตรงอีกอย่างว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏขึ้นในพบภูมิหนึ่งในโลกหลังความตายเท่านั้นนะครับซึ่งยังมีพบภูมิย่อยอีกมากที่แบ่งแยกจากกันตามจริตนิสัยตัณหาอุปาทานความยึดมั่นทิฏฐิความเชื่อความชอบระดับจิตระดับปัญญาแต่เป็นเพียงความต่างในสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ความสุขหรือทุกข์ทางใจที่เป็นมาตรฐานตามระดับจิตนั้น จะมีเท่ากันคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันจะมีแรงดึงดูดไปอยู่รวมกันบุญของคนกลุ่มนั้นย่อมก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คนกลุ่มนั้นพอใจหรือบาปของคนกลุ่มนั้นย่อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่คนกลุ่มนั้นทุกข์ใจเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเช่นคนชอบทุเรียนก็อยากกินคนไม่ชอบก็กินไม่ลงทั้งที่เป็นของมีราคาแต่จะเห็นได้ว่า ให้ความสุขกับคนหนึ่งแต่ให้ความทุกข์กับอีกคนหนึ่งดังนั้นชีวิตหลังตายโดยเฉพาะในชั้นที่ยังมีความหยาบแห่งจิตอยู่มากจะมีความใกล้เคียงกับชีวิตมนุษย์ทั่วไปพลังแห่งบุญบาทย่อมจะกอ่อให้เกิดสภาพแวดล้อมแตกต่างไปตามอุปนิสัยของบุคคลและระดับจิตระดับปัญญาโดยอาจมองม่เห็นกันแยกกันเหมือนกุหลพบทั้งที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือสวรรค์ชั้นเดียวกันนะครับ สิ่งที่ต้องเข้าใจอีกก็คือแม้เป็นเทวดาแม้เป็นคนตายแล้วฟื้นสิ่งที่ไปเห็นมานั้นอาจเป็นเรื่องจริงเห็นจริงแต่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเหมือนการได้ไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งในป่าใหญ่ที่มีอีกหลายสายพันธุ์เท่านั้นต้องไม่ลืมหลักสาคัญที่ว่าตันหาอุปาทานสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับระดับจิตได้อย่างไรและเทวดาก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ยังเข้าใจผิด ยังรู้เห็นได้จํากัดเฉพาะในพบภูมิของตนกรณีในหนังสือเล่มนี้เป็นพบภูมิขอกลุ่มคนที่ยังมีตัณหาอุปาทานเป็นแนวเดียวกันนะครับยังยึดติดพอใจในการเสพสุขในการมคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในระดับปุตชนทั่วไปยังไม่เคยเจริญอสุภะไม่เคยพิจารณาอาหารให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุยังไม่เข้าใจหลักอนิจจังอนัตตายังไม่เคยฝึกวิปัสสนาเจริญสติ ยังเชื่อเรื่องมีพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งทั้งทงที่ตามเรื่องท่านตายไปเกิดเป็นเทวดาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เคยได้พบเจอสักครั้งก็ตามแต่คำบรรยายทั้งหมดกลับย้าตลอดว่าสุขทุกข์ไม่มีใครทำให้เป็นผลจากกรรมของเราเองทั้งนั้นและทุกคนพัฒนาตนให้เลื่อนภูมิสูงขึ้นไปได้ด้วยตนเองเท่านั้นไม่ใช่ว่าต้องมารอใครตัดสินลงโทษหรือดบุบรรดา น, นําสุขมาให้ แต่แม้ท่านจะได้เห็นความจริงดังนั้นและท่านก็กล่าวเช่นนั้นย้ำอยู่เสมอในหลายตอนแต่ท่านก็ยังคงเชื่อในเรื่องพระเจ้าต่อไปซึ่งความเชื่อในเรื่องพระเจ้านั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ดีและจําเป็นสําหรับคนหลายคนนะครับพระธรรมจิตมีสิ่งที่ถือว่าเป็นตัวแทนของคุณธรรมอันสูงสุดไว้ยึดเหนี่ยวให้ใจได้มีที่พึ่งเพราคนอีกจํานวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าใจเรื่องสภาวะนมามธรรมได้การมีตัวตนบุคคลให้จับต้องได้ จึงถือเป็นบันไดขั้นแรกที่เหมาะสมกับบุคคลตามปัญญาบารมีกันต่อไปแต่เรื่องนี้ก็มีชาวคริสต์อีกจํานวนไม่น้อยนะครับที่เข้าใจเรื่องพระเจ้าในลนักษณะเป็นกลุ่มพลังงานที่แทรกซึมอยู่ในทุกสรรพสิ่งอันนับว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงขึ้นมาค่อนข้างมากถึงแม้ยังต่างกับสภาวะนิพพานที่เป็นอ น, นัตต ก, ก็ตามแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงที่สุดและดูเป็นเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อที่สุด สำหรับคนที่ต้องการเหตุผลแบบจักต้องได้นะครับสำหรับคบํญญาบรรยายในหนังสือนั้นก็ต้องเข้าใจอีกด้วยว่าท่านเล่าตามที่ท่านเห็นและเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นผู้สูงสุดคือเทวดาที่สูงสุดในภูมิของท่านเท่านั้นสวรรค์ชั้นที่ท่านคิดว่าสูงสุดก็เพราะแม้เทวดาที่สูงสุดที่ท่านได้เจอก็รู้เห็นได้แค่นั้นจึงคิดว่ามีสูงสุดแค่นั้น ทั้งที่ความจริงยังมีมากกว่านั้นเช่นพบภูมิของผู้ที่เจริญวิปัสนาจนจิตยึดติดในวัตถุความติดข้องในการคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเบาบางลงมากพบของพระโพธิสัตว์พบของพระอริยขั้นตน้นพบเฉพาะของพระอนาคามีพบเฉพาะผู้ที่จิตเป็นฌานก่อนตาจะเข้าถึงได้จนถึงชั้นอรู ป, ปรภูมิที่ไร้รูปเหลือแต่จิตและในระดับสูงสุดก็คือละเอียดมากจนเรียกว่ามีก็เหมือนไม่มี ซึ่งทั้งหมดนี้แม้เทวดาจำนวนมากก็ยังไม่รู้ไม่เห็นยังไม่สามารถเข้าถึงได้จึงไม่รู้ว่ายังมีสภาพอื่นอีกมากกว่าที่ตนรู้จักอย่างในหนังสือนี้ท่านก็เล่าถึงสิ่งที่ท่านรู้เห็นและคิดว่ามีแค่นั้นโดยที่ท่านไม่รู้ว่าแม้ในระดับเดียวกับท่านก็ยังมีพบที่แยกย่อยไปอีกมากให้เหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่มต่างกันไปตามสภาพจิตความชอบเปรียบเหมือนคนทางานจนรวย ซึ่งเทียบกับคนทำดีจนมีบุญหรือพัฒนาจิตจนปราณีตขึ้นไปเปลี่ยนไปด้วยกุศลจิตคนรวยแล้วจะย้ายตัวเองไปอยู่สถานที่อากาศสิ่งแวดล้อมตกแต่งบ้านซื้อเสื้อผ้าคเครื่องประดับซื้อรถที่ตัวเองชอบความชอบแบบนี้ยังไม่มีทางเหมือนกันบุญคือความสุขถ้าบุญให้ผลลักษณะบังคับว่าต้องได้อะไรเหมือนกันไปทุกคน<ๆ>ก็คงเรียกว่าเป็นบุญไม่ได้ เราคนเรารู้สึกสุขทุกข์กับสภาพแวดล้อมและสิ่งของไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นจึงต้องมีความแตกต่างกันในเรื่องของสิ่งภายนอกแต่ตรงกันที่ความรู้สึกทางใจคือสุขหรือทุกข์นั่นเองแม้แต่ความเชื่อทางศาสนาถ้ายัางยึดมั่นในพิธีกรรมแบบเดิมทำและจิตเป็นสุขก็ยอมสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีสถานประกอบพิธีในแบบเดิมไปอยู่รวมกับคนที่ชอบและต้องการแบบเดียวกัน มิจฉาทิฏฐิคือความเข้าใจผิดในเรื่องของภูมิสูงสุดซึ่งน้อยคนรวมถึงเทวดาจะไปถึงหรือเข้าใจได้เราต้องได้ฌานขั้นสูงก่อนเท่านั้นที่เรียกว่าเนวสัญญาณาสัญญายตนะันถือว่าเป็นภูมิขั้นสูงสุดของจริงที่มีความนิ่งสงบประณีตมากและอายุยืนยาวนานจนประมาณไม่ได้ซึ่งพบอันประนีตนี้ก็ทําให้เข้าใจผิดไปได้ว่านี่คือการสภาพสิ้นทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วโดยไม่เข้าใจว่า สุดท้ายก็มีวันหมดเวลาและต้องเวียนตายเกิดต่อไปจะไม่เกิดได้จริงต้องรู้แจ้งอริยาาสัจสีประจักษ์แจ้งนิพพานที่เป็นสภาวธรรมเท่านั้นคือไรภพใดไร้รูปธปรรมไร้นามธรรมไร้จิตไร้วิญญาณใดๆทั้งสิน้นถ้ายังมีตัวตนเป็นอัตตาได้กรองสวยพบอะไรอีกยังรู้สึกว่ามีตัวตนเป็นผู้รับผลก็ยังไม่ถือว่าสิ้นทุกข์สิ้นภพชาติยังไม่ถึงนิพพานของจริงนะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้คนพูดเองแค่การเข้าใจนิพพานให้ตรงแม้แต่ในแงท่ทฤษฎีเบื้องต้นก็ยังยากแสนยากและนับภาษาอะไรกับคนนอกศาสนาที่ท่านจะเข้าใจสภาวะช น, นิดได้ง่ายๆโดยที่ไม่เคยได้ศึกษาได้ยินได้ฟังหรือได้ปฏิบัติมาก่อนเลยเมื่อกลายเป็นเทวดาท่านก็ยังคงเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดมั่นแบบผิดๆและสร้างภพสร้างภูมิตามแรงตัณหาอุปาทานเพื่อสนองความต้องการที่แฝงอยู่ในใจกันต่อไป ความเชื่อที่ฝังแน่นตอนเป็นมนุษย์นั้นถอนออกได้ยากมากนะครับตราบใดยังไม่พัฒนาจิตให้ปราณีตไม่พัฒนาปัญญาให้สูงขึ้นมากพอจะไม่มีทางเข้าใจหรือเปลี่ยนความเชื่อได้เลยสิ่งที่ท่านบัญญาจึงเป็นความจริงในระดับหนึ่งเท่านั้นที่มีควรเชื่อไปทุกตัวอักษรแต่ให้จับหลักสาคัญไว้เท่านั้นซึ่งก็มากพอที่จะให้คนทั่วไปเข้าใจได้ว่าตายแล้วไม่สูญและกฎแห่งกรรมมีจริงเป็นกฎสากล ที่จะเชื่อหรือไม่ก็ต้องให้ผลเป็นสุขทุกข์ให้ได้รับแน่นอนเพียงแต่รูปแบบอาจต่างกันหรือการบรรยายอธิบายให้ฟังอาจมีความต่างกันทางภาษาและความเข้าใจบ้างพอสมควรเรื่องนี้เปรียบเทียบง่ายๆคล้ายคนป่าได้ไปเห็นหมอผ่าตัดการที่จะนำมาบอกเล่าถ่ายทอดให้คนอื่นฟังต่อ น, นั้นก็อาจจะได้แค่ภาพกว้าง แต่คงเจาะลึกในรายละเอียดไม่ชัดเจนถูกต้องได้ตรงจริงเท่ากับหมอด้วยกันไปเห็นและอธิบายออกมานะครับทั้งนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงทางยิ่งขึ้นแนะนําให้ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือในชุดแววเสียงสวรรค์และหนังสือในชุดโลกทิพย์ซึ่งมีควรพลาดอย่างยิ่งกับอีกสองเรื่องคือ here and here after ซึ่งถือว่าเป็นโลกทิพย์ภาค3เป็นหนังสืออธิบายข้อสงสัยในเรื่องของโลกทิพย์ภาคหนึ่งเล่มนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคําอธิบายด้วยหลักในพระไตรปิฎก จากอาจารย์พรรัตนสุวรรณและอีกเรื่องก็คือ The Life Beyond Death ชีวิตหลังตายซึ่งจัดเข้าเป็นโลกทิพย์ภาคที่สโดยผู้เขียนเป็นโยคียที่มีความเข้าใจเรื่องภพชาติได้ลึกซึ้งกว่านี้มากและใกล้เคียงกับคำซ้อนในพุทธมากจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับท่นานอธิบายกฎแห่งกรรมและโลกหลังความตายไว้ละเอียดเป็นเหตุเป็นผลที่มีน้าหนักมากขึ้นอย่างชัดเจนเพียงแต่จุดสูงสุดที่ท่านเข้าใจ ก็ยังไปได้ถึงเพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นอรูปประพรมชั้นสูงสุดเท่านั้นทั้งนี้เพราะตราบใดที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องอนัตตาให้เข้าใจการจะรู้แจ้งว่ามีสภาวะนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดโดยไม่ต้องเกิดตาอีกนั้นต้องบรรลุเป็นพระอริยกรและมีเพียงผู้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้แจ้งในกำเนิดและภพภูมิทั้งปวงที่เรียกว่าอธิธเทวญณทศนะและว่า การเห็นด้วยยานซึ่งอาทิเทพหรือเทวดาผู้ยิ่งใหญ่แล้วรู้ทางพลไปจากพบทั้งปวงได้จริงทั้งนี้ไม่ใช่เป็นการเข้าข้างศาสนาพุทธนะครับซึ่งครอบครัวผมเองก็เป็นคริสต์กันทั้งตระกูลทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ตั้งแต่เด็กนะครับก็ได้ศึกษามาสองนิกายแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบว่าเกิดมาทาไมตายแล้วไปไหนและการเจอสิ่งเหนือธรรมชาติมาหลายอย่าง จึงเริ่มศึกษาคำสอนของพุทธเพิ่มเติมก่อนมาศึกษาพระไตรปิฎกและนับถือพุทธและก็จนมาทำงานสร้างสื่อทรรเผยแพร่พุทธมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งหลักของพุทธมีอยู่ว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่กล้าท้าให้มาพิสูจน์หากลองมาศึกษาปฏิบัติแล้วจึงจะเห็นได้ด้วยตนเองซึ่งในอดีตพระพุทธองค์ก็ทรงสแสดงธรรมจนคนนอกศาสนาหันมานับถือจํานวนมากเพราะนักบวชพราหมณ์หรืออินดูจำนวนมากท่านปฏิบัติสมาธิจนได้ชาญกันมากมาย ิที่ปราณีตและเป็นผู้นิยมเหตุผลเมื่อได้ฟังคำชี้แนะที่ดีพอและคิดตามทำตามก็บรรลุตามคือเห็นความจริงของธรรมชาติได้ในที่สุดคำสอนของพุทธนั้นจะต่างกับศาสนาอื่นชัดเจนนะครับคือสอนและชี้ว่าอะไรคือความจริงตามธรรมชาติให้ศาสนิกรู้เห็นตามความจริงไม่ใช่การบังคับให้เชื่อไม่ใช่แค่การทาดีเว้นชั่วแต่ให้รู้เห็นตามจริง จนกำจัดอวิชชากำจัดมิจฉาทิฏฐิได้หมดสิน้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ยาวนานอันหาสาระนี้ไม่ได้นะครับการทําสิ่งอ่านหนังสือเรื่องนี้ผู้อ่านเองหนักใจพอสมควรนะครับเพราะเกรงว่าคนฟังจะเข้าใจผิดและหลงผิดเชื่อไปทั้งหมดหรือพานไม่เชื่อไปทั้งหมดเพราะสภาพที่ท่านเล่าหลายจุดอาจดูไม่น่าเป็นจริงหรือไม่ตรงกับความเชื่อเดิมหรือที่เคยทราบมาจากที่อื่น จึงต้องขออธิบายไว้พอสมควรเพื่อให้เข้าใจว่าควรจับหลักสําคัญที่เป็นประโยชน์เท่านั้นส่วนรายละเอียดปลีกย่อยให้รู้ว่าเป็นเพราะยังเป็นสวรรค์ชั้นหยาบหรือขั้นต่ําที่มีสภาพตามสภาพจิตของผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นเป็นเพียงสถานที่หรือสภาวะหนึ่งในจํานวนมากมายจนนับไม่ถ้วนที่มีสภาพแตกต่างกันไปอีกพอสมควรเอาแค่ตามหลักพูดที่ระบุไว้เป็นหลักสวรรค์นั้นเริ่มต้นที่เทวโลกหกชั้น รูปประพรม16ชั้นและเอารูปประพรมอีกสี่ชั้นซึ่งเทวดาระดับธรรมดาเป็นไปได้ยากมากที่จะไปรู้ไปเห็นหรือเข้าใจแม้แค่พรมชั้นต้นได้เลยนะครับเพราะเป็นภูมิที่ต้องได้ฌานหรือบางภูมิต้องเป็นพระอริยก่อนเท่านั้นสําหรับท่านที่เพิ่งเคยฟังเรื่องแนวนี้ขออธิบายคำสัพที่สาคัญหนึ่งคคือคาว่าโอปปาติกะ เป็นชื่อของกาเนิดชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรรมโตผุดขึ้นทันทีได้แก่เทวดาพรหมเปรตสันรกอสุรกายเป็นต้นเวลาเรียกรวมชีวิตประเภทนี้ท่านมักจะใช้คำที่เรียกรวมไปเลยเช่นโลกของโอปปาติกะชีวิตของโอปปาติกะหรือแม้แต่ใช้เรียกบางท่านในบางครั้งเช่นได้คุยกับโอปปาติกะท่านหนึ่งเป็นต้น เรื่องพบชาติบางคนว่าไร้สาระแต่นั่นคือเพราะศึกษาไม่ถูกทางเพราะถ้าได้คําอธิบายที่ตรงจริงจะไม่ไข้เขวงมง่ายเชื่อและนําไปใช้แบบผิดๆความเชื่อที่ถูกต้องนั้นทําให้เข้าใจหลักธรรมได้ชัดแจ้งอย่างมากโดยเฉพาะหลักกรรมการไม่สนใจเรื่องเหล่านี้เลยทั้งที่วันหนึ่งต้องตายทุกคนเปรียบเหมือนคนที่รู้ว่าต้องเดินทางไกลแต่ไม่รู้เลยว่าที่จะไปนั้นมีสภาพอย่างไร พอไม่ศึกษาให้จริงก็โดนคนหลอกหรือเชื่ออะไรผิดได้ง่ายยังไม่นับกับคนที่เข้าใจผิดเพราะอุปาทานปรุงแต่งเองหรือกระทั่งเป็นโรคจิตไม่รู้ตัวนะครับเรื่องพวกนี้คนทั่วไปสนใจกันมากจะเห็นว่ารายการผีได้รับความนิยมสูงหากได้ศึกษาด้วยหลักเหตุผลที่ตรงหลักกรรมจะนำมาซึ่งประโยชน์มหาศาลอย่างมากแม้แต่คนนอกศาสนาพุทธก็ยังเห็นประโยชน์อย่างมากในหนังสือชุดนี้นะครับ น่าแปลกใจว่าคนไทยเคร่งธรรมจำพวกหนึ่งกลับแอนตี้และไม่เห็นประโยชน์เพียงเพราะตนเองมีจริตปัญญาเลยขั้นนี้ไปไกลดูแล้วก็คล้ายกับคนเรียนปริญญาจบแล้วมองว่านิทานอีโศภไรส า, าราจะไปอ่านทำไมทั้งที่มันดีต่อเด็กเล็กอย่างมากบางทีก็ยังดีกับผู้ใหญ่บางคนด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากหนังสือเล่มนี้มีอารมพบดเริ่มต้นค่อนข้างเยอะแต่ล้วนเป็นสิ่งที่จาเป็นต้องรู้ก่อน เพื่อเข้าใจเนื้อหาแบบไม่หลงทางจึงควรฟังทั้งหมดให้ครบก่อนหรือเมื่อฟังจบบทสุดท้ายแล้วอย่าให้ลองย้อนกลับมาฟังทั้งหมดอีกรอบจะดีต่อทุกท่านเองและป้องกันความเข้าใจผิดในบางจุดได้อีกพอสมควรนะครับขอทุกท่านจเจริญในทางที่เป็นกุศลอยยิ่งขึ้นไปอริยคุณพุทธธรรมโชโชเสียงธรรมชมรมผลดีสําหรับหนังสือโลกทิศภาคหนึ่งนี้ตีพิมพ์ครั้งแรก หมกราคมพุทธศักราช2 5งพันห้าจะทำเป็นเสียงอ่านตุลาคมพุทธศักราช2565ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้ครอบครัวสีโพคาครอบครัวอำนาจหารกิตชนทิชาโพคาพาณิชณัชาขณะอนันต์ทวีช่างพินิษธนารัฐชมเนตรนิจชามาโศภาร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท่ายเรื่องขอทุกท่านร่วมอนุมทนา ร่วมศึกษาทรรไปพร้อมกันเลยนะครับ